ภาคหลักการความสุขคืออะไรเมื่อจะพัฒนาความสุขก็มาดูความหมายของความสุขซะก่อนว่าความสุขมีความหมายว่าอย่างไรความสุขคือการได้สนองความต้องการหรือใช้ภาษาง่ายๆว่า คือความสมอยากสมปรารถนาขอทำความเข้าใจไว้ก่อนว่านี่ยังไม่ใช่ความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ครอบคลุมในระดับพื้นฐานที่มีขอบเขตกว้างมากเป็นความหมายที่สำคัญอย่างยิ่งความสุขที่คนทั่วๆไปรู้จักก็อยู่แค่ความหมายนี้เราอยากอาบน้ำแล้วได้อาบน้ำก็มีความสุขอยากรับประทานอะไรแล้วได้รับประทาน ก็มีความสุขเด็กอยากเล่นแล้วได้เล่นก็มีความสุขนี่ก็คือได้สนองความต้องการหรือสนองความอยากความปรารถนานั่นเองตรงนี้ขอแทรกเรื่องปัญหาทางภาษาเวลานี้คำว่าต้องการกับปรารถนากับอยากบางทีก็ต้องระวังการใช้เนื่องจากในทางวิชาการสมัยใหม่บางสาขา มีการใช้โดยแยกความหมายให้แตกต่างกันโดยเฉพาะระหว่างความต้องการกับความอยากให้มีความหมายเป็นคนละอย่างบางทีเราใช้คำว่าความต้องการให้ตรงกับคำว่านี้ n w e d n e e d อย่างในเศรษฐศาสตร์คล้ายจะบัญญัติให้ให้แปลคำนามปหูพจน์ของคานี้คือ needs ว่าความต้องการจำเป็นส่วนความอยากความปรารถนาก็หมายถึง ดีไซน e D E S I R E เป็นต้นทำให้ดูเหมือนกับว่าในภาษาไทยไม่มีคำที่มีความหมายตรงกับนี้ของฝรั่งจึงต้องมาคิดกันใหม่และหาคำตรงแท้ไม่ได้ก็เลยต้องใช้เป็นข้อความหรือวลีคำว่าต้องการเชิงจำเป็นนี้น่าจะตรงกับคำเก่าที่เคยใช้มาก่อนว่าจำปรารถนา เช่นภาษิตว่าสติสัพพัตปัฏิยาแปลว่าสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงหมายความว่าสติเป็นธรรมที่ต้องใช้หรือจำเป็นในทุกกรณีจำปรารถนาก็ใกล้ๆกับคำว่าจำเป็นแต่ไม่ตรงกันแท้เช่นในตัวอย่างว่าในกระท่อมหลังหนึ่งที่เราจะเข้าไปนอนไม่มีอะไรเลย นอกจากพื้นดินที่เฉอะแฉะและครุขครัเราก็บอกว่าจําปรารถนาเตียงนี่ก็คือไม่ว่าเราจะอยากได้หรือไม่แต่ก็จําปรารถนาอย่างคนเจ็บป่วยก็จําปรารถนายาดังนี้เป็นต้นโบราณมีคํานี้จึงไม่สับสนระหว่างคําว่าต้องการกับปรารถนาสําหรับในที่นี้ จะใช้คำว่าต้องการกับปรารถนาแบบปนกันไปเลยไม่แยกให้เหมือนกับว่ามีความหมายอย่างเดียวกันถ้าเทียบกับคำภาษาอังกฤษให้ถือว่าเท่ากับ d e s ซน์ทั้งนั้นเมื่อบอกว่าความสุขคือการได้สนองความต้องการหรือการได้สมอยากสมปรารถนาเรื่องก็เลยโยงไปหาคำว่าต้องการหรือปรารถนาซึ่งต้องมาทาความเข้าใจกัน ความต้องการหรือความปรารถนานี้เป็นเรื่องใหญ่มากขอยกพุทธพจน์มาตั้งเป็นหลักพระองค์ตรัสว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมมาแปลว่าทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลหมายความว่าเรื่องของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความต้องการเป็นมูลมีความอยากเป็นต้นทางเพราะฉะนั้นหนึ่ง เราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องความอยากความปรารถนาความต้องการนี้ให้ชัดเจนแล้ว2ในเมื่อความสุขเป็นการได้สนองความต้องการหรือได้สนองความปรารถนามันก็บ่งชี้ว่าการที่จะพัฒนาความสุขได้นั้นก็ต้องพัฒนาความอยากพัฒนาความปรารถนาหรือพัฒนาความต้องการด้วยมิฉะนั้นการพัฒนาความสุขก็จะไม่สาเร็จ เป็นอันว่าความต้องการนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาก็จึงมาทําความเข้าใจเรื่องความต้องการหรือความอยากกันต่อไปขอให้ถือหลักความต้องการนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ควรไปหลบไปเลี่ยงที่จะศึกษามันความคลุมเครือพร่ามัวในหลักความอยากความต้องการนี้ทําให้มองอะไรไม่ชัดพัฒนาไม่เดินหน้าแก้ปัญหาไม่สําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจริยธรรมวิชาการหรือกิจการอะไรก็ตามถ้าจับจุดนี้ไม่ได้ก็เป็นอันว่าไปไม่ถึงไหนไม่ถึงเนื้อตัวไม่ถึงสาระของเรื่องนั้ น, น, น